ธรรมเทศนากันนี้ท่น า, ทานอาจารย์มหาบัวยาน ส, สัมปนโนเทอบรมพระเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2568ณวัดป่าบ้านตาศจังหวัดอุดรธานีคามคิ ที่เกิดขึ้นในบังตนสำหรับนัก บ, บวชคีอคิดเพื่อสแสวงหาครูหาอาจารย์นี่เป็นความคิดที่ถูกต้องโปรดรักษาความคิดเช่นนี้ไว้ ความคิดเช่นนี้และจะมีความสามารถลบล้างความคิดอันไม่ดีซึ่งเราไม่ไว้วางใจในตัวของเราเองต่อการปฏิบัติทำนี่ไง จึงเป็นเหตุให้มีความคิดและเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์เพื่อเป็นผู้ขี่แนวทางที่ถูกต้องแล้วจะได้ดำเนินไปได้วยความสะดวกและราบรือแม้สามุกองใดๆ ที่ปรากฏว่าในทถึงแดนแห่งความคดเคีเ้ยก็ต้องมีความคิดเช่นนี้เหมือนกันเป็มคิดอยากจะเข้าเฝ้าสมเด็จพระภูมิพระคาดเจ้าเพื่อพระองค์ท่านเธอทรงอระวาต แนะนำคำสอนทั้งทางที่ถูกและทางที่ผิดเพื่อท่านผู้มีความใคร่ต่อการศึกษาและปฏิบัติจะได้แก้ไขและดำเนินไปโดยถูกต้องดังนั้นการส่แสวงหาครูหาอาจารย์ซึ่งเป็นที่แน่ใจเราว่าจะเป็นผู้สามารถแนะนำคำสอนตัวของเราได้ จึงเป็นความคิดที่ดีและควรจะส่งเสริมความคิดของเรานี้ให้เจริญยิ่งขึ้นไปแล้วคอยพยายามดัดแปลงกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามโอวาทของท่านแต่ระวังความคิด ที่จะคอยมาแทรกสิงและลบล้างความคิดที่ดีของเหล่านี้ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในฉากเดียวกัน mm hmm. เมื่อมีโอกาส mm hmm. เขาอาจจะคิดขึ้นได้ mm hmm. เราเองก็อาจจะ หลงเชื่อไปตามถึงกับกายวาจาของเราได้ไวไปตามนั้นด้วยแม้ใจก็เลยกลายเป็นเรื่องผิดมุ่งไปตามความคิดที่เครือบแฝงเช็นนั้นไปเสียนี่เป็นเหตุที่จะให้เราได้รับความเสียหายแต่วันนั้นเล็กและน้อยและด้อยในทางด้านปฏิบัติ ซึ่งจะยังผลให้ปรากฏขึ้นมาเป็นลํำหนับก็เรื่องของกิเลสกับธรรมะนี่ตามธรรมดาแล้วท่านถือว่าเป็นค่าศิบของกันและกันถ้ากิเลสมีกำลังมากก็สามารถที่จะลบล้างธรรมะ ซึ่งเป็นของดีเยี่ยมให้ลดน้อยถอยลงไปจนถึงกับไม่มีธรรมะภายในใจก็ได้ถ้าธรรมะมีกำลังมากก็สามารถจะลบล้างกิเลสซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ดีให้ลดน้อยถอยลงไป และจนหมดสิ้นไปไม่มีอันใดเหลือเท่นองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าและสาวกอรหันท่านดังนั้นเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติโปรดได้คำหนึง่งถึงเรื่องใจของตัวเองว่ามีค่าศึกอู่ประจำตัวตลอดเวลา การแสวงหาครูหาอาจารย์เพื่อปฏิบัติในทางที่ดีจึงเป็นอุบายวิธีที่จะแก้ไขสิ่งที่เป็นค่าสิตฝ่ายต่ำนั้นให้มีกำลังน้อยลงไปในขณะเดียวกันก็เพื่อจะส่งเสริม ความคิดและความประพฤติ ท, ที่ดีอันเป็นการจะสนับสนุนจิตใจของเราให้มีช่องว่างพอทางด้านธรรมะจะได้เกิดขึ้นวันละเล็กละน้อยจนกลายเป็นคนมีธรรมะภายในใจเริ่มต้นแต่ความสงบเยือกเย็นภายในใจ ถึงจนถึงจุดสุดท้ายได้แก่ยิ้มผนิผ่านสถานที่ก็ดีการก็ดีนั่นเป็นการพาด ช, ชั่วระยะการของเราที่จะแสวงหาชัยสมรภูมิสำหรับนักรบ อันให้ใต้นามว่าผิดของประหลาดขดแต่หลักสำคัญที่จะไม่ห่างไกลจากกันนั้นคือเรื่องการบำเพ็ญตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอิริยาบถใด ให้เป็นผู้มีความเพียรเพื่อถอดถอนสิ่งที่เป็นค่าศึกของตนโดยอำนาจของสติและด้วยอำนาจของปัญญาอยู่เสมอนี่เป็นหลักสำคัญสำหรับนักปฏิบัติและเป็นจุดสำคัญสำหรับผู้บำเพ็ญเพื่อข้ามพ้นดวย สิ่งไหนที่ปรากฏขึ้นภายในใจซึ่งตนเชื่อแน่ว่าถูกตามหลักธรรมของพระพทธิจจะปรากฏขึ้นเพียงเล็กน้อยก็าตามให้ถือว่านั่นคือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญเรื่องความลำบาก ในการบำเพ็ญ น, นั้นโรยยาได้ถือเป็นสิ่งสำคัญถ้าถือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วนี่แหละจะสั่งเขาจะมีกำลังสั่งสมตัวเองขึ้นและทำการจิตขวางทางนำเนินซึ่งเป็นไปเพื่อ ามเจริญของเอกมีข้อข้องใจอยู่ตรงไหนซึ่งเห็นว่าไม่ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเทจา้าโปรดทําความรู้สึกกับจุดนั้นๆทันทีและถือจุดนั้นๆเป็นเป้าหมายสำหรับพิจารณาอย่าลดละ และอยาคาดคะเนเรื่องมรรคผลนิพพานอยาคาดการสมัยของความรู้ความเห็นอันจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติอย่าคาดสถานที่ว่าควรจะรู้ในสถานที่นั้นๆสถานที่ใดที่มีข้อขัดข้องเกิดขึ้นและ รับรู้กันอยู่กับความความขัดข้องนั้นตามวาละที่ความขัดข้องแสดงตัวออกมาสถานที่นั่นแหละคือชัยสมรภูมิได้แากสนาลรบเพื่อชัยชนะเป็นลำดับ คำว่ากิเลสไม่ว่าประเภทใดๆจะต้องแสดงขึ้นที่ใจของเราทุกๆถัดไม่มีที่อื่นเป็นที่แสดงขึ้นแห่งกิเลสทั้งหลายเพราะกิเลสทั้งหลายไม่ได้อยู่จะในสถานที่อื่นใดนอกจากจะอยู่กับความรู้คือใจนี้เท่านั้นทูจะปฏิบัติ หรือแก้ไขกิเลสอาสวะให้เบาบางลงเป็นลำดับแต่จะมองข้ามสิ่งที่ปรากฏขึ้นภายในใจมีความขัดข้องเป็นต้นผู้นั้นจะไม่มีทางแก้ไขกิเลสได้ตลอดกาลและเราก็ทราบด้วยกันอยู่แล้วว่า ความขัดข้องความไม่สบายภายในใจมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเป็นผู้ผิดผลออกมาให้รับความไม่สะดวกกะไม่สะดวกใจไม่ใช่จริงอินนาผิดผลได้ จงดูเรื่องของตัวเองคือหัวใจให้พัดเองดูเรื่องหัวใจจะรู้เรื่องของกิเลสเพราะกิเลสกับใจนั้นอยู่ด้วยกันในเวลาน้คือเวลาที่เรายังมีกิเลสอยู่ โปรได้ทราบไว้ไม่ได้อยู่ในสถานที่ทและการใดๆนอกจากจะแสดงตัวขึ้นมาทิจิตของเราทุกๆขณะที่มีความพลั้งเผอเท่านั้นการแก้ไขกิเลส ถ้าไม่แก้ไขลงจุดนี้ไม่มีทางจะผ่านพ้นไปได้และไม่สามารถจะรู้เรื่องของตัวเองว่าเป็นกิเลสหรือเรื่องของกิเลสว่าเป็นเรื่องของเราเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ถือว่าเป็นเราไปเสียหมดโดยที่เราไม่ทราบว่ากิเลสกับเรานั้นเป็นอย่างไรบ้างทิดกันหรืออันเดียวกัน ถ้าจิตมีสติก็จะทราบว่ากิเลสกับใจไม่ใช่อันเดียวกันหรือกิเลสกับเราไม่ใช่อันเดียวกันถ้าไม่มีสติแล้วกิเลสจะกลายเป็นเราเราจะกลายเป็นกิเลสกันวันย่างคำจะกแก้กิเลสก็หาที่แก่ไม่ได้เพราะจะกระเทือนตัวของเราจะกแก้เราก็จะแก้ไม่ได้ เพราะจะกระเทือนเรื่องของกิเลสเพราะเป็นเรื่องของเราเช่นเดียวกันจะประกอบความภาคความเพียรก็จะกลัวจะกระเทือนตัวของเราให้รับความลำบากลำบถในขณะเดียวกันก็จะกระเพื่อนกิเลสซึ่งเราถือว่าเป็นเรื่องของเราเมื่อกิเลสมากลายเป็นเราเสียทุกทุกส่วนแล้ว เราก็มัมีทางจะแก้ไขกิเลสได้เพราะคลัวจะก็มีการกระทบ ก, กระเทือนระหว่างเรากับกิเลสซึ่งกลายมาเป็นอันเดียวกันแต่ถ้าผู้มีสติแล้วก็จะทราบตามวาระแห่งธรรมที่พระองค์ท่านสอนไว้ว่าสิ่งใดที่จะก่อความลำคาญหรือจะผิดทุกข์ขึ้นมาให้แก่ตน แม้จะเป็นสิ่งที่ชอบอกชอบใจก็ต า, ามสิ่งนั้นท่านบอกไว้แล้วว่าคือกิเลสเป็นเรื่องที่จะก็อเข็นทำเวรให้เราตลอดไปไม่มีการสมัยใดๆที่กิเลสจะผิดความดีความชอบให้บุคคลนอกจากจะทำแต่ความทุกข์ร้อนให้เท่านั้น ตลอดไปแล้วเราควรแล้วหรือจะไปเชื่อเรื่องหวัวใจที่เป็นไปกระเบื้องกิเลสเป็นผู้กระซิบอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นของดีแล้วควรจะยอมจำนวนตามเขาที่ที่เข้มคิดไปทางไหนแล้วเอียงๆและล้มละลายไปตามเขาจน้นเราจะหาตัวของเราที่แท้จริงไม่เจอเราจะหา ความเป็นตัวเป็นตนของเราขึ้นมาจากความเพียรไม่ได้เหมือนกันนี่ขอให้ทุกทุกท่านได้ทราบไว้ว่าเวลานี้กิเลสกับเราเป็นอันเดียวกันเราจะประกอบกิการงานใดๆจึงกลัวจะ ก, กระเทือนเรื่องกิเลสเรื่องของเรา ผลที่สุดก็อยากจะอยู่เฉยๆแล้วให้กิเลสดุดลอยไปเองความอยู่เฉยๆก็เป็นเรื่องเกียดคร้านและเป็นการสั่งสั่งสมกิเลสขึ้นภายในการอยู่เฉยๆซึ่งตนเจ้าตัวไม่รู้ว่าการอยู่เฉยๆนั้นมีเหตุผลอย่างไรบ้างลักษณะของการอยู่เฉยๆก็คือเรื่องเกียดคร้านเรื่องไม่สาะแสวงหาเหตุหาผลควานขวายหาสิ่การงานที่ควรจะเป็นไปจะเป็นประโยชน์แก่ตนเอง ไม่ว่าข้างนอกข้างใน้าโลกเขาเรียกว่าคนเกียดคร้านคนไม่ทำงานคนไหนไม่ทำงานคือคนเกียดคร้านคนเกียดคร้านก็ไม่มีทรัพย์จะใช้ไม่มีอาหารจะรับทานไม่มีบ้านจะอยู่ไม่มีเครื่องอุปโภคบริโภคพอจะประทังธาตุขันไปในวันหนึ่งวัน นั่นคือคนคุกคนจนจนสมบัติความจนจนถึงเกิดความทุกข์เดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัวทั้งนี้เป็นขึ้นมาจากความอยู่เฉยๆคือความเกียจคร้านเป็นตัวหิร่ญลักษณะของจิตที่อยากจะอยู่เฉยๆไม่พินิษพิจารณาไม่หางานทำ เพื่อประโยชน์แก่ตนเองก็จะเป็นผู้ขาดเคลือรความสุขความเจริญภายในใจจะเป็นศีละสมบัติก็ไม่สมบูรณ์นับวันแต่จะดังร้อยหรือขาดทะลุไปจะเป็นสมาธิสมบัติคือความสงบเยือกเย็นภายในใจก็ไม่ปรากฏขึ้นมาได้เพราะไม่มีทางจะเกิดขึ้นเนื่องจากต้นเหตุคือการงานไม่มีเรื่องปัญญาก็ต้อง เกิดขึ้นจากความไหวตัวซึ่งได้แก่การทำงานอีกเช่นเดียวกันเมื่อสรุปความแล้วสีสมบัติสมาธิสมบัติตัญญาสมบัติจะหาทางเกิดขึ้นมาได้เฉยๆนั้นไม่มีทางนอกจากจะเกิดขึ้นได้โดยการขวัขวายคือการระมัดระวังรักษาก็จะพราะเป็นการขวัขวายการอบรมจิตใจบังคับจิตใจ รู้วิถีทางเดินของใจว่าเดินไปในทางถูกหรือทางผิดพินิษ์พิจารณาเรื่องของตัวเองอยู่เสมอเช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีงานไม่อยู่เฉยๆผู้มีงานเช่นนี้แล้วจะสามารถยังสมบัติทั้งสามนี้ให้เกิดขึ้นได้สีเราสมบัติก็จะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์เลือกเกลียนใจในวันหนึ่งวันสมาธิสมบัติคือความเือกเยียนภายในจิตใจ ก็ต้องเกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งการขวันขวายปัญญาสมบัติซึ่งเป็นความเฉลียวฉลาดสามารถที่จะถอดถอนสิ่งที่เป็นค่าศึกอันลี้ลับอยู่ภายในใจก็จะมีทางเกิดขึ้นและมีโอกาสจะถอดถอนเจเลสซึ่งตนเห็นว่าเป็นค่าสึกออกได้เป็นลำดับนี่เรื่องของคนทำงาน ต้องมีผลหลายได้ไม่ว่าข้างนอกข้างในเมื่อเราแยกเรากับกิเลสแยกกราวนั้นให้คือให้เป็นไปในทางฝ่ายธรรมะล้วนๆคือธรรมชาติที่จะถอดถอนหรือแก้ไขสิ่งที่เป็นข้อข้องใจของเราให้หมดไปได้เป็นลําดับๆนี่เป็นฝ่ายธรรมะฝ่ายกิเลสคือเป็นข้าศึกสําหรับจะ ก, ก่อกวนจิตใจของเราให้รับความรุมร้อน หรือให้เห็นไปเสียว่าเป็นความลำบากลําบนในการประกอบความภาคความเพียรในการประกอบข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้เป็นต้นนี่เป็นฝายกิเลสที่จะถุดลากเราให้เป็นไปตามอำนาจของเขาถ้าเรารู้เท่าไม่ถึงการแล้วกิเลสกับเราจะถ้าเข้าเป็นอันเดียวกันจะประกอบผิจการงานจะเป็นความดีความชอบ ในส่วนไหนไหนก็จะไม่สามารถดำเนินไปได้เนื่องจากว่ากลัวแต่ความลำบากจะมากระทบกระเทือนถึงตัวของตัวเองเ้าหาทราบมาว่าความลำบากเพื่อการงานอันจะยังผลให้เกิดขึ้นกับความลำบากซึ่งเกิดขึ้นจากการอยู่เฉยๆอันเป็นมูลฐานนั้น มีผลต่างกันอย่างไรบ้างีสำหรับผู้ปฏิบัติต้องคำหนึ่งเสมอหากว่าการปล่อยไปตามามาเภอใจแล้วปรากฏความสุขความเจริญเกิดขึ้นมาทั้งทางโลกและทางธรรมนั้นจะไม่มีอะไรเป็นขอบเขต ไม่มีกฎหมายบ้านเมืองเป็นเครื่องบังคับไม่มีหลักธรรมวินัยเป็นเครื่องดำเนินแม้ที่สุดสัตว์เดรฉันก็จะได้รับความสุขความเจริญประดำตามกันหมดเพราะเป็นไปตามอำเภอใจไม่ต้องมีการฝืนไม่ต้องมีการบังคับดัดแปลงตัวเองแต่ก็เป็นไปได้ตามอำเภอใจผลก็เกิดขึ้นมาตามใจหวังแต่นี่หาได้เป็นเช่นนั้นไหม พันจยงกล่าวไว้เสมอว่าปุสลาธรรมะมปุสลาธรรมะมอัพยากรตาธรรมะมได้แจกกุศนและอคูศลคุณง่ายๆก็คือได้แจกความโง่กับความฉลาดเป็นผู้จะพาดำเนินในกิจการทุกอย่าง มีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังถ้าฉลาดในทางผิดความเพียรหนุนหลังไปแล้วผลก็กลายเป็นทุกข์ถ้าฉลาดในทางถูกมีความเพียรหนุนหลังก็กลายเป็นทางดีขึ้นมามีความสุขความจเาจริญท่านจึงกล่าวไว้เสมอว่าดีกับชั่วเป็นของคู่กันและทั้งสองประเภทนี้ต้องอาศัยเหตุเป็นแรงเกิด ไม่ใช่จะเป็นไปด้วยการดูเฉยๆแล้วสำเร็จผลเป็นดีเป็นชั่วขึ้นมาหาได้หมเรายิ่งเป็นนักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่มีหลักเหตุผลเป็นหัวใจด้วยแล้ว ก็ควรอย่างยิ่งที่จะพินิษฐพิจารณาตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เต็มไปด้วยเหตุผลแม้จะยากลำบากก็ตามเมื่อเหตุผลลงกันได้แล้วเราต้องทำคำว่าเหตุผลลงกันได้ก็หมายถึงลงกันได้ในทางที่ถูกและทางที่ผิดเมื่อเห็นว่าเหตุผลลงกันได้ในทางที่ถูกจะยากลำบากก็ต้องบาเพ็ญ เมื่อเหตุผลลงกันในทางลงกันได้นในทางที่ผิดจะง่ายแสนสบายก็ไม่ยอมทำนี่ลหลักของผู้มีเหตุผลซึ่งถือตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วต้องถือหลักเหตุผลเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าคำว่าง่ายหรือยากเราจะเห็นความยากความลาบาก เป็นจริงที่มีคุณค่าเนื้อธรรมของพระพุทธเจ้าอันเกิดขึ้นมาจากความขยันหมั่นเพียรแม้จะยากลาบากก็ไม่คํหนึ่งขอแต่ให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระองค์ท่านเท่านั้นนี่เป็นหลักที่ถูกต้องสาหรับนักปฏิบัติทั้งหลายจะได้ถือมาเป็นหลักใจของตัเองแล้วพยายาม อบรมตนเองด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่เช่นนั้นจะหาทางออกไม่ได้บำเพ็ญความภาความเพียรไปทุกวันทุกวันผลไม่ปรากฏขึ้นเป็นเพราะเหตุใดก็เป็นเพราะสักแต่ว่ากิริยาแห่งการทาเท่านั้นหลักใหญ่ซึ่งเป็นองค์แห่งเหตุจริงๆคือการบำเพ็ญเป็นไปกับ ด้วยความจงใจหรือสติและปัญญาเป็นเครื่องควบคุมนั้นได้บกพร่องไปในระยะนั้นมีแต่กิริยาแห่งการเดินและการนั่งปรากฏตัวอยูเย่เฉยๆผลจึงไม่ปรากฏเป็นที่พึงพอใจหากว่าเราได้มีความเพียรตามองค์ของความเพียรจริงๆดังที่กล่าวมานี่แล้ว ผลจะนิ่งนอนองค์อยู่ไม่ได้อย่างไรต้องแสดงออกมาจากหลักของเหตุโดยแน่นอนมากหรือน้อยตามกำลังแห่งเหตุที่ตนได้บำเพ็ญเอาไว้ความยากในการประกอบความเพียรความลำบากหรือความทุกในการประกอบความเพียรเพื่อจะรื้อถอนตนออกจากทุกข์ เราลองเอาไปเทียบกันกันกบความลำบากลาบนที่ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอยู่ในภพในชาติไม่ทราบว่าภพไหนชาติใดกำเนิดใดมีทั้งต่ำทั้งสูงมีทั้งลึงความสุขความทุกข์เกีบบนบน่ยวกบปนเปนไปกับเรื่ความเกิดความตายในภพในชาตินั้นๆมีจํานวนมากเท่าไหร่ถ้าเราจะเห็นว่าตัวของเรามีราคาแล้วจะพยายามรื้อถอนตนให้พ้นจาก ทุกซึ่งเป็นเครื่องกังวลใหญ่โตเหล่านี้ก็ควรเห็นความเพียรเป็นสิ่งสำคัญการกำหนดภาวนาขอแต่ให้ใจของเราหยั่งลงสู่ กายคตาคือส่วนแห่งร่างกายทั้งหมดนี้จะเป็นอาการใดก็าตามให้มีความรู้สึกสัมพันธ์กันอยู่กับใจภายในกายอันนี้เราไม่ต้องคำานึงไปถึงคำว่าถูกหรือผิดเพราะหลักแห่งกายนี้เป็นหลักสัจธรรมด้วยเป็นหลักอริยสัจ เ, เป็นหลักสติปัฏฐานสีด้วย ถ้าใจได้ดำเนินตามทางของอริยสัจหรือสติปัฏฐานสี่นี่แล้วต้องเป็นมัคคับปฏิปทาเพื่อความพ้นทุกข์เป็นลำดับไปข้อสำคัญขอให้มีความจงใจตั้งหน้าตั้งตาทําจริงๆวันนี้พิจนารณานอย่างนี้ วันหน้าพิจารณาอย่างนั้นถึงจะเป็นอย่างนี้ก็ตามแต่ถ้าอยู่ในหลักของสติปัฏฐานหรืออริยสัจนี่แล้วจะไม่ผิดเราอย่าสงสัยการดําเนินของเราว่าวันในทําไมวันนี้จิตจึงดูดดื่มไปในอาการเหล่านั้นแล้ววันนั้นติดจิต ด, ดูดดื่มไปในอาการเหล่านี้วันนี้จิตทําไมหนัก ไปในอาการนั้นและวันนั้นทำไมจิตหนักปในอาการนี้เราไม่ต้องไปคำนึงเพราะเป็นเรื่องของอริยสัจซึ่งเป็นธรรมรับรองเพื่อความถูกต้องอยู่แล้วจิตจะไม่ผิดพลาดจากหลักของธรรมะต้องตรงแนวอยู่เสมอเมื่อเราได้พิจารณาตามที่กล่าวมานี้ การเห็นกายด้วยสัญญานี่เป็นบารฐานเบื้องตน้นต้องอาศัยสัญญาคาดหมายไปก่อนเพราะเรื่องของกิเลสก็เป็นเรื่องสัญญาเหมือนกันถ้าสัญญาไม่หมายไปด้วยแล้วกิเลสก็จะมีกำลังมากขึ้นไปเป็นลำดับไม่ได้ ต้องอาศัยสังขารต้องอาศัยสัญญาและอาศัยวิญญาณเป็นเครื่องรับรู้แต่เรื่องของกิเลสถึงจะปรุงก็ต้องปรุงเพื่อกิเลสจาหมายก็ต้องจาหมายเพื่อกิเลสรับรู้ก็ต้องรับรู้เพื่อกิเลสส่วนเรื่องของธรรมะแล้วแม้จะใช้สังขารก็เป็นสังขารเพื่อแก้ไขที่เรียบว่ายมักแต่ถ้าสัญญาก็เป็นสัญญา เพื่อปัญญาซึ่งเป็นทางมรรคอีกเช่นเดียวกันจะใช้วิญญาณความรับรู้ก็รับรู้เพื่อพิจารณาซึ่งเป็นเรื่องของมรรคอีกเหมือนกันจึงไม่มีทางผิดเมื่อเราได้น้อมขันใดขันหนึ่งใช้าไปณิทางที่ถูกต้องแล้วแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาความสงบเยือกเย็นใจเราได้ยินแต่ครูอาจารย์ได้ยินแต่ท่านกล่าวไว้ในตำรา กิเลสก็ได้ยินแต่ท่านกล่าวไว้ในตำราคือแบบแผนที่ถูกต้องซึ่งเรียกว่าสวขาตธรรมแต่เรื่องของกิเลสที่แท้จริงนั้นเป็นใครเวลานี้และอยู่ที่ไหนเขาแสดงตัวอะไรกับปลาให้ปรากฏกับเราไหมทางของกิเลสเกิดขึ้นมาจากทางไหนบ้างทางเข้าทางของทางออกของกิเลส เขาอาศัยทางสายไหนเป็นที่เข้าที่ออกและที่เกิดขึ้นพ่อแม่ของกิเลสคืออะไรเราเห็นแต่พ่อสัตว์แม่สัตว์พ่อคนแม่คนเราเห็นตั้งแต่เรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งท่านกล่าวไว้ในคมภีร์นั่นเป็นชื่อของกิเลสตัณหาอาสวะนั่นเป็นพ่อของคนพ่อของสัตว์แม่ของคนแม่ของสัตว์ ไม่ใช่เป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นเครื่องกระทบกระเทือนตนเองและไม่ใช่เป็นเรื่องของธรรมะซึ่งจะยังความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นภายในตนนอกจากเรื่องของขันคือกายกับใจนี้เท่านั้นนี่คือเรื่องของธรรมะที่แท้จริงนี่คือเรื่องของกิเลสที่แท้จริงใจนี่แหละเป็นพ่อแม่ของกิเลสตัณหาอาสวะและก็เป็นบ่อยของกิเลสตัณหาอาสวะด้วยในขณะเดียวกัน เมื่อตนไม่สามารถจะคลี่คลายเรื่องของตัวเองให้รู้ชัดว่าส่วนไหนเป็นส่วนดีส่วนไหนเป็นส่วนชั่วตัวของตัวเองก็จะเป็นเรื่องของกิเลสวันยั่างคำไม่มีในตาําราไม่เคยได้ยินแบบแผนตำรับตาําราไปตกนรกขึ้นสวรรค์ชั้นผรมิมสําเร็จเป็นพระหรหรัสระหันไปติดคุกติดตารางที่ไหนไปทําโจรกรรมทำร้ายผู้ ใครๆฉกลักต้นสะดมที่ไหนไม่มีในคำภี์ไบร า, านคำภี์ไบร า, านไม่ได้ไปทําความดีความชั่วเช่นนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าตําลานั่นท่านพูดไว้โดยถูกต้องคือชื่อของทำรรชื่อของกิเลสชื่อของคนผู้ทําความชั่วความดีชื่อของคนผู้บริสุทธิ์ผู้เศร้าหมอง ครูที่จะทําความดีชั่วความดีมันเป็นเรื่องของคนเป็นเรื่องของสัตว์เรื่องของกิเลสตัณหาจริงอยู่กับคนก็อยู่กับสัตว์การแก้ไขกิเลสตัณหาเราซึ่งเป็นคนคนหนึ่งจึงควรสนใจจะดูตัวของเราว่าเป็นตัวกิเลสหรือเป็นตัวธรรมะแน่คลี่คลายดูให้ดีเราจะได้เห็นทั้งเรื่องของกิเลสซึ่งมันเกิดและพักตัวอยู่ตลอดเวลา ผิดผลออกมาให้เราได้รับความทุกข์ความเด็ดร้อนทั้งกลางวันกลางคืนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่านั่งปวดคารวัตร้อนกันอยู่ทั้งแผ่นดินเพราะเรื่องของกิเลสซึ่งมันเกิดขึ้นจากเราทั้งนั้นไม่จะเกิดขึ้นจากที่ไหนแลนะผู้บำเพ็ญด้วยความสามารถอาหารตามหลักธรรมะคำอสอนของพระพุทธเจ้าก็คว้าเอาชัยชนะขึ้นมาได้กลายเป็นพวกผู้ ยเยาะเนและบริสุทธิ์ไปเป็นลำดับๆจนถึงความบริสุทธิดด์โดยสิ้นเชิงก็จากหลักใจอันเดียวจากกายกับใจนี้เท่านั้นนั่นเราจะไปมองหาที่ไหนมองหาที่เดตุตันหาที่แท้จร่ำรายากับตัวยาไม่เหมือนกันเราจะไปหาในตารายาหายาในตานานั้นเราก็จะได้แต่ชื่อวันยั่งคํา ตัวยาไม่ได้อยู่ในตำราแต่ชี้บอกมาถึงตัวยาต่างหากนายคำพีบาลานท่านชี้เข้ามาเรื่องของบุคคลเรื่องของเราผุกขังอะไรเป็นทุกนั่นยกอริยสัจสี่ขึ้นมาพูดตำราไม่ได้เป็นทุกเรื่องความไม่สมากายไม่สบายใจมันเป็นเรื่องของคนของสัตว์เรื่องของเขาของเรา สมุทัยคือความฟุ้งเฟอ้เอเหอ่อเหิมทันอยกว่ากามาตัญหาภาวตัญหาวิภาวตัญหาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเราของท่านทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของตำราจะเป็นมักคือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภารนาที่จะบำเพ็ญให้มีทางหลุดพ้นไปได้จากเรื่องของสมุทยัยจนกลายเป็นโรธคือความดับทุกข์ขึ้นมา มันก็เป็นเรื่องของเราของท่านไม่ใช่เป็นเรื่องของตําหนันี่ขี้เข้ามาที่นี่ทั้งหมดแล้วเราจะเห็นอะไรเป็นกิเลสตังหาอาสวะเราจะเห็นอะไรเป็นตัวบาปตัวบุญเวลานี้ความร้อนอยู่ที่ไหนตัวบาปมันก็อยู่ที่นั่นความสุขความเจริญอยู่ที่ไหนบุญก็อยู่ที่นั่นนั่นมันอยู่กับเรา ความสมองอยู่ที่ไหนกิเลสมันก็อยู่ที่นั่นความบริสุทธิ์หมดจดอยู่ที่ไหนธรรมะก็อยู่ที่นั่นเมื่อรวมลงแล้วมันอยู่กับเราทั้งนั้นไม่ได้อยู่ที่อื่นใดขอให้ทุกท่านได้พิจารณาให้ทราบเรื่องของเรากับเรื่องกิเลสทึ่นอนจมอยู่ด้วยกันมาตั้งกับตั้งกันทำไมจะไม่ทราบทางเกิดของตัวเองเรื่องกิเลสของตัวเอง ด้วยเรื่องจะเกิดขึ้นมาเป็นพบเป็นชาติแต่และพบระชาติจะเป็นชาติใดภาษาใดจะเป็นกำเนิดใดๆก็ตามชาติชั้นมันหน้าใดก็ตามมันเกิดขึ้นมาจากเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นเชื้ออยู่ภายในจิตใจตรงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากเรื่องอื่นใดแล้วทาไมเราจะไม่สามารถพิจารณาให้รู้เรื่องของเรา ทั้งวิธีทางเกิดขึ้นมาเป็นรูปร่างเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นเราเป็นท่านทั้งวิธีจะดับอุบายวิธีที่จะดับพระพุทธเจ้ากสอนมาแล้วไม่มีอะไรบกพร่องที่เรียกวัชวขาตธรรมตรับไว้ชอบทุกอย่างนิยา น, นิกระทํามท่าดาเนินตาม ข้าโอวาของท่านแล้วต้องเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ไม่มีทางอื่นมีแต่ว่าเราจะทําความสนใจกับเราแค่ไหนให้ทราบเรื่องของเราทราบเรื่องของกิเลสถ้าเราทราบเรื่องของเรากับเรื่องของกิเลสก็เืียว่าทราบเรื่องสุขเรื่องทุกข์ทราบเรื่องอริยรรสัจสี่คือทุกข์สมุทัยโรดมัสจะทราบในภายในกายในใจของเรานี้ทางนั้น ไม่มีทางอื่นเป็นที่ทราบหลุดพ้นก็จะหลุดพ้นไปในระหนาว่างแห่งอริยสัจ ธ, ธรรมทั้งสี่นี้ไม่มีทางอื่นเป็นทางหลุดพ้นเราจะไปหาที่ไหนหาความพ้นทุกข์นอกจากจะหาที่มีทุกข์อยู่นี้เท่านั้นว่าทุกข์นี้เกิดขึ้นมาจากอะไรอะไรเป็นสาเหตุที่จะเกิดขึ้นแห่งทุกข์เรายัางสติปัญญาลงไปพร้อมทั้งความเพียนเป็นเครื่องสนับสนุน ทำไมเราจะไม่รู้เรื่องของทุกเรื่องของกิเลสซึ่งมันอยู่ด้วยกันทั้งสองประเภทนี้ก็อยู่กับเราเราเป็นผู้คลี่คลายหรือพิิจพิจารณาทําไมจะไม่ทราบเรื่องของตัวเองทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วทั้งเรื่องเกิดขึ้นแห่งภพแห่งชาติของตัวทั้งเรื่องเกิดขึ้นแห่งกิเลสตัญหาอาสวะของตัวเองทั้งเรื่องจะถอดถอนชั้อแห่งภพแห่งชาติด้วยความปฏิบัติของตัวเองต้องทราบถ้าไม่มีทางทราบแล้วพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้น เป็นศาสดาของโลกและตรัดเป็นส่วนขา ธ, ธรรมให้พวกเราทั้งหายได้ฟังได้ศึกษาตามนี้ไม่ได้เลยพุทธทางธรรมังสังฆังจะไม่ปรากฏขึ้นในโลกถ้าหากว่าอย่างลงไปที่นี่ไม่ถูกทางแล้วพระพุทธเจ้าจะหาทางตัดสรุปไม่ได้เพราะหลักสัจธรรมนี้เป็นหลักธรรมที่รับรองหากได้ปฏิบัติตามให้ถูกต้อง หลักก็จะทําคืออะไรเวลาทุกคัยแสดงตัวอยู่ทุกวั น, นทั้งฝ่ายกายฝ่ายใจเรามีกายมีใจด้วยกันทุกๆคนเราต้องมีเรื่องของทุกมีเรื่องของกิเลสด้วยกันถ้าเราสนใจในเรื่องมากคือข้อปฏิบัติที่จะดำเนินเพื่อการถอดถอนทุกเราก็เป็นคนหนึ่งที่จะกล้าไปเพื่อความพ้นทุกเหมือนอย่างพระองค์ท่านรมานิโรธานั้นเป็นการดับทุกข์ด้วยอานาจของมรรค ไม่ใช่ดับเอาเฉยๆ ท, ทำทั้งสี่ประเภทนี้เป็นหน้าที่ของเราจะเป็นผู้ขวัญขวายยิ่งเต้นภายในตัวของเราให้สมบูรณ์ขึ้นมารู้ทุกข์ก็รู้อย่างสมบูรณ์รู้สาเหตุของทุกข์ก็รู้อย่างสมบูรณ์พร้อมทั้งถอดถอนเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์ได้ด้วยการบำเพ็ญมากก็บำเพ็ญอย่างสมบูรณ์ จนสามารถถอดถอนจิตเดชได้ด้วยมาวีริยะแห่งความดับทุกข์ที่วกว่านีโิโรธจะนอนนิ่งองค์อยู่ไม่ได้ต้องแสดงขึ้นมาเพราะทำทั้งสี่ประเภทนี้เป็นธรรมเสี่ยวเมื่องถึงกันแต่แยกกันออกไม่ได้เหมือนกันขอให้ทําความเข้าใจภายในเราซึ่งเป็นองค์ของอริยสัจอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรบกพร่องน่านอกจากว่าเราจะขวนขวายดําเนินตาม เรื่องของสัจจะที่มีอยู่กับเรานี้ให้เด่นชัดขึ้นภายในจิตใจของเราหรือไม่เท่านั้นเมื่อได้รู้รอบในสัจจะทำทั้งสีนี้เรื่องความบริสุทธิ์ไม่ต้องไปถามที่ไหนตํานาทั้งกว่ชี้เข้ามาที่นี่เข้ามาถึงผู้ที่บําเพ็ญตนได้ถึงความหมดจดแล้วก็ชี้บอกว่าบริสุทธิ์นั่นแต่บริสุทธิ์ที่ไหนนอกจากจะบริสุทธิ์ในจุดที่เศร้ามองเท่านั้นไม่มีทางอื่นเป็นทางบริสุทธิ์ได้ การพ้นทุกข์ก็จะพ้นจากที่มีทุกข์นั่นเองไม่มีทุกข์จะผ่านพ้นกันไปได้ที่ไหนการแสดงคำที่อื่นออกไปที่อื่นผมขอเรียนให้ทราบอย่างเป็นกันเองว่ารลกสึกว่าไม่ถนัดใจคล้ายๆกับว่า ตะครุบเงาถ้าแสดงลงไปที่กายที่จิตซึ่งเป็นรางของอริยวศักด์นี่แล้วรู้สึกว่ามสนิทอกสนิทใจเพราะเท่าที่ปฏิบัติมาก็ปฏิบัติอย่างนี้จะรู้มามากน้อยตามกำลังของตนเองก็ไม่ได้รู้จากที่ไหนรู้ขึ้นมาที้งแม้ธรรมะได้แสดงอยู่เวลานี้ก็ไม่ได้เอามาจากที่ไหน นอกจากจะเอามาจากท่านได้เราซึ่งเป็นมีเรื่องอริยสัจสี่เต็มตัวอยู่ด้วยกันเท่านั้นแต่เราไม่สามารถจะทราบพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราฟังก็หรือเรื่องของเรานั่นเองมาแสดงนะครูบาอาจารย์ท่านจะนำเอาเรื่องมาจากที่ไหนนอกจากจะเป็นเรื่องอริยสัจในทางเดียวกันกับพระพุทธเจ้าในการปฏิบัติเราจะปฏิบัติ เอาที่ไหนนอกจากจะยกอาเรศะนี้ขึ้นเป็นทางดำเนินเท่านั้นโปรดได้ขุดค้นลงไปเรื่องราวกับเรื่องกิเลสจะได้เห็นได้ภายในใจดวงนี้ด้วยอำนาจของความเพียรที่เต็มไปด้วยสติปัญญาจะไม่มีอะไรสามารถมากั้นกลาง หรือกีดขวางไม่ได้เลยไม่ว่าการหรือสมัยใดๆทั้งนั้นขอให้มัดคือข้อปฏิบัติของเราได้สมบูรณ์ขึ้นไปเป็นขั้นๆเถอะเรื่องผลจะแสดงออกมาเป็นลําดับลําดาจนถึงจุดสุดท้ายจะไม่ต้องไปถามใครคําคว่าสันทิิโกนั่นก็เป็นมัชชิมาจะไม่รอคอยอยู่การหน้าอันการหน้าการหลังที่ไหนแต่จะคอย ปรากฏตัวขึ้นมาจากหลักของเหตุที่บำเพ็ญเป็นลําดับลาดับไปจนถึงเหตุอันสมบูรณ์สันทิฏฐิโกคือความรู้เองเห็นเองจะแสดงตัวขึ้นมาอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าในหลักของสันทิฏฐิโกกรํานี้ไม่มีแตกต่างกันในพระพุทธในระหว่างพระพุทธเจ้ากับสาวกจะรู้เห็นด้วยกัน แต่อำนาจวาสนาความรู้ความฉลาดในอุบายวิธีนั้นมีต่างกันอยู่เป็นธรรมดาฉะนั้นขอให้ทุกๆท่านได้ทำความสนใจกับเรื่องของเราตามที่กล่าวมาแล้ว สิ่งที่พึงพอใจออนเราจะพึงได้รับในระยะต่อไปจะค่อยปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับลำดับตามปฏิปทาของเราที่ได้ดำเนินมาด้วยความเข้มแข็งจึงขอยุตติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้